ยกมือสร้างจังหวะไปเดี๋ยวจะอ่านนกปอเทียนให้ฟังอ่านนกปอเทียนให้ฟัง ม, มันอยู่ในตำรามันมีแค่อ่านให้ฟังเลยความทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นความคิดแต่ตัวความคิดจริงๆนั้นมันไม่มีความทุกมันเป็นทุกตามพระไตรักษ์อยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกตามอริยสัจสี่ไม่ได้เป็นทุกตามตัณหา มันเป็นทุกข์พระไตรั้งความคิดนะ่ะนะเป็นไตรั้์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปอยู่ปปเปิดไฟหน่อยสิไฟมืดป่ะนิพพานหลวงพ่อเทียนจิตตาสุโภจิตตาสุโภแปลว่าอะไรแปลว่าจิตสวยงามนะบิวตี้ฟูลมาจิตสวยจิตงามจิตพ้นทุกข์นะีอย่างอาจารย์ยูกิเนะี่ยท่านแปลว่ายูกิแปลว่าอะไรแปลว่ามีความสุข นักายยาสั น, นละเทโวแปลว่าแปลว่ามนุษย์เทวดามนุษย์ผู้เป็นเทวดามนุษย์ผู้มีธรรมเป็นเทวดาจิตตสุโภวแปลว่าอะไรนะิพพานคืออะไรพระนิพพานคืออะไรว่าโดยย่อนิพพานหมายถึงความพยศหมดไปหรือความเป็นความมีมาณฑิทิหมดไป หรือความมีโทสะโมหะโลภะหมดไปหรืออีกคําหนึ่งว่ากิเลสตัณหาอุปาทานหมดไปมีแต่ความเป็นป ก, กติหรือว่างๆนี่แหละคือนิพานพานนิพพานนิพพานที่หลงประเทียนปฏิบัติให้สอนตรงๆทอนิคำความรู้สึกซื่ อ, อ, อๆเฉยๆเปล่าๆความรู้สึกว่างๆเลยเข้าใจไหมมันไปตรงกับไอ้ตัวนั้นพอดีเลย นี่พานนางปรมามังสูญอย่างพระนี่พานว่างอย่างยิ่งไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจิต ใ, ในใจจิตซื่อๆเฉยๆเปล่าๆยินดีจินร้านรักช่งพอใจไม่เกิดขึ้นในใจใจมันซื่อๆเฉยๆอยู่นี่ก็สอนตรงๆเลยนี่พานแปลว่าหมดความร้อนนีแต่ความเย็นอกเย็นใจไม่ใช่อื่นไกลนิ่พานมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นมีได้อย่างไร ก็ยมยกมือขึ้นเนี่ยมันรู้ซื่อๆเฉยๆนะนั่นแหละว่าไม่ได้ปรุงไม่แต่งอะไรคือ น, นิพานอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่ทีนี้เราเพ้อไป<ม>เพ้อไปเพ้อไปเพราะความโง่ยกมือซื่อๆจะได้อะไรหวะมันก็ได้ความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วใจสะอาดใจสว่างใจสมบใจบริสุทธิ์ใจไม่ปรุงแต่งอยู่แล้วมันได้อารมณ์ของวัตถุนิพานอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่ไม่รู้ที่ต้องการไอ้ตัวโง่ไอ้ตัวโหลมันอยากเนะี่ะมันทำให้เกิดสัรหาสัรหาเกิดอุปท า, านขึ้นมาเกิดตัวโง่เป็นทุกข์ขึ้นมานั่นเองเข้าใจไหมเพราะว่า ท่านตัดกายเป็นรูปประทับเป็นธรรมะฝ่ายรูปฝ่ายปัจจุลันใจเป็นธรรมะฝ่ายนามฝ่ายทารู้สึกอยู่แล้วก็เห็นกายก็เห็นธรรมะเลยสิเห็นใจก็เห็นธรรมะเลยสิเห็นที่ไหนหลวงพ่อเทียนเขพูดตรงๆกายวาจาใจนี่แหละคือธรรมะกายวาจาใจนี่คือพระพุทธศาสนาเราไปหาที่ไหนหระไปหานอกตัวที่ไหนนอกตัวมันก็ใช้ธรรมะเหมือนกันแต่ว่าไปหาไปเห็นแล้วมันดับทุกข์ไม่ได้นะมันต้องดับทุกข์ไอ้ตัวที่ไอ้ตัวรู้เนี่ยนะ ตัวจิตตัวใจตัวมรณะตัววิญญาณธาตุเนี่ยธาตุดูเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นตัวนี้มันดับที่ส่วนนี้ซะก่อนนะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวตัวรักคิดเพ้อคิดเป็นก่อก่อทุกข์ขึ้นมาให้เห็นให้เห็นมันเนี่ยพอเห็นมันปั๊บมันทําหน้าที่เห็นทําหน้าที่รู้ไอ้ตัวเห็นตัวรู้เนี่ยก็เรียกว่าตัดสรู้ตัดสุู้กัดสุจะดัดรู้อันนี้สามคำจะรัดรู้ก็รู้อย่างแจ่มแจ้งตัดสรู้ก็รู้อย่างจับแจ้งกัดสรูก็รู้อย่างจับแจ้งก็กไก่ เจ้อาจารย์ตอบมันแปลว่าเอ็นเทนเมนต์รู้แจ้งแรงแจ๋เนะี่ยรู้อารมณ์ปัจจุบันนะนะีรู้ทีนี้รู้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รู้พวกนี้เมื่อรืนี้รู้ขณะนี้ขณะที่เราทำํำยกโยมถามมาแก่เห็นจิตในจิตก็เห็นตัวนี้แหละเห็นตัวที่มันซื่ อ, อ, อๆเชยๆเปล่าเนี่ยตัวในสุดหรือตัวกลางสุดหรืออะไรตัวถัดออกมาเลดกหน่อยก็เป็นยินดียินร้ายไม่พอใจนะ่ะก็เห็นจิตในจิตเหมือนกันแต่มันถูกปรุงแล้วถูกปรุงแต่งแล้ว พุ่ ก, กิเลสตัณหาเข้าไปรุ่งแต่งแล้วเห็นจิตในจิตตัวเป็นกลางจริงๆอะจิตเป็นกลา ง, ง, ง, งความรู้สึกซื่อๆเฉยๆเปล่าๆบริสุทธิ์ปกติเป็นกลางนี่คือตัวพ้นทุกข์อยู่ในตัวจิตกลางๆนั่นเองเห็นจิตในจิตเห็นตัวเห็นตัวเดิมตัวแท้มันนะ่ะนะนิพพานแปลว่าหมดความร้อนไม่แต่ความเยน็นอกเย็นใจไม่ใช่อื่นไกลนิพพานมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นผู้หญิงก็มีนิพพานอยู่ เช่นนั้นจะเป็นผู้ชายก็มีนิพพานอยู่เช่นนั้นจะเป็นพระสงฆ์องค์เน้นก็มีนิพพานอยู่เช่นนั้นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กฤษคนอเมริกาคนขเขมรคนยวนคนลาวก็มีนิพพานอยู่เช่นเดียวกันจะถือศาสนาไหนนัดทิอะไรก็ตามมีนิพพานอยู่เช่นเดียวกันนิพพานคือความร้อนดับหมดมีแต่ความเย็นอกเย็นใจ คนโบราณจึงพูดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจเพียงแต่ว่าคนนั้นแหละจะทําให้มัดผลนิพพานปรากฏขึ้นหรือไม่เท่านั้นเองในที่เรามาทำํำก็มาทำให้นิพพานปรากฏขึ้นตัวจิตรู้ซื่อเฉยเฉยเน่ยปรากฏขึ้นมาปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ถึงซึ่งกระแสพระนิพพานการปฏิบัตินั้นก็ไม่เหมือนกับคนอื่นที่พูดมาสําหรับตัวหลวงพ่อเองเคย ได้ให้ทานเคยรักษาสินเคยทำกรรมฐานมาพอสมควรแต่ไม่รู้ว่านิพพานอยู่ที่ไหนคืออะไรไม่รู้เพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้นั้นคือการปฏิบัติให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบถนะแม้จะยกมือยกเท้าก็ให้มีสติรู้สึกให้มีสติรู้สมมติเอาที่หลวงพ่อทําอยู่เป็นประจํา พิกมือขึ้นให้รู้สึกคว่ำมือลงให้รู้สึกยกมือไปให้รู้สึกเอามือมาให้รู้สึกก้มลงให้รู้สึกเงืยขึ้นให้รู้สึกให้รู้สึกเอียงซ้ายเอียงขวาให้รู้สึกกับทิพตาให้รู้สึกตาเหลือบซ้ายขวาแลขวาให้รู้สึกคืนน้ำลายเข้าไปในลำคอให้รู้สึกหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกมีสติติด ตามความรู้สึกนี่เองจิตใจมันนึกมันคิดให้รู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วไม่ต้องยึดถือต้องปล่อยวางไปทําอย่างนี่แหละเมื่อรู้สึกแล้วให้ปล่อยวางไปอย่างนี้แหละไอความรู้สึกนเนี่ยมันปล่อยวางอยู่ในตัวมันแล้วความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกนั้นท่านว่าสัญญาคือความหมายรู้กับจำได้ความรู้สึกก็เรียกว่าสัญญากันแต่สัญญาตอนนี้เป็นสัญญาโสปัญญาแล้วความรู้สึกนั้นท่านว่าสัญญา คือความหมายรู้จำได้เมื่อมีสัญญาความหมายรู้จำได้ยานก็เข้าไปรู้ยานเข้ายานแปลว่าเข้าไปรู้เมื่อยานเข้าไปรู้แล้วปัญญาก็รอบรู้รอบรู้ในกองสองขานรอบรู้อะไรรอบรู้เปอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองปัญญานี่คือตัวปัญญาทั้งสมอย่างนั้นแหละประกอบกันเข้าเรียกว่ายานของวิปัสสนาเกิดขึ้นให้แก่ผู้กระทาเช่นนั้น เมื่อยานของวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วก็เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงเพราะศึกษาอยู่กับธรรมชาตินี่แหละคือนี่แหละศึกษาให้ได้กระแสพันธุ์ผ่านทำไมจึงได้กระแสพันธุ์านอาจจะมีข้อสงสัยก็เพราะรู้รูปรู้นามก็เพราะรู้รูปรู้นามการรู้รูปรู้นามนี่แหละได้กระแสพันธุ์านรู้รูปธรรมทอธรรมนะรู้นามธรรม รู้รูปโรครู้นามโรคโรคโลคะไม่ใช่โรคธรรมดาเนี่ยเนี่ยรูปทำเนี่รูปมันทําการขึ้นไหว้นามมันทําความรู้สึกเนี่ยรูปก็ทํานามก็ทํารู้อยู่ทีนี่เดี๋ยวนี้ขนาดนี้เลยรูปโรคอาการเจ็บเป็นปวดรูปเป็นโรคใจมันโมโหฉุนเฉียวเนี่ยนามใจเป็นโรคแล้วไม่พอใจขี้เกียจทําอยังไงล่ะนามเป็นโรคแล้วรู้ทุกขังรู้อเนจังรู้ในตา ทุกขังหายใจเข้าหายใจออกก็ทุกขังเลยอันนี้จังก็คือนิยเทียงลงหายใจเข้ากระดับมือยกขึ้นกระดับหยุดพอเคลื่อนไหวก็หยุดปั๊บอาการเคลื่อนไหวกระดับไปพอหยุดปั๊บการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นพอเคลื่อนไหวปั๊บอาการหยุดนิ่งกระดับไปใช่ไหมรู้อยู่ที่นี่รู้เดี๋ยวนี้เลยนะรู้ทุกขังรู้นิจังรู้อนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนาะเป็นสิ่งแปรปรวนไม่ควรตามเห็นมาเป็นตัวตนความเห็นมาเป็นธรรมะอนิจังธรรมะทุกขังธรรมะอนัตตาอย่างนั้นเอง ไม่ใช่ตัวเราที่สดวดมาเมื่อกี้เนี่ยรู้สมมติสมมติอะไรให้รู้ให้ครบให้จบให้ท่วนงะอะไรคาพูดที่แล้วเขแต่งตั้งขึ้นมารู้สมมติก็ว่าผู้หญิงไม่มีเสียงมีเนี่ยเสียงมีแต่คําว่าผู้หญิงไม่มีผู้ชายก็ไม่มีนะราชารสจะไม่มีเป็นสมมุติขึ้นมาเฉยๆมีแต่ลูกกับน้ำแค่เอะลูกกับน้ำเท่านั้นอันนี้สมมุติขึ้นมาต้องให้รู้ให้หมดเลยนะลูกคนแก่คนเจ็บคนตายก็ไม่มีสมมติเฉย เมื่อใจรูปนามเกิดเกิดรูปน้ำตั้งอยู่รูปนามดับไปแค่นั้นไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายที่ไหนเลยแต่ผู้เจ้าท่านบัญญัติอแล้วสะอุปาหังขูวหังสะอุปาฐานะขูวหังอุปติปัญญาเตมิเราตถาคตครูเจ้าบัญญัติคนเกิดว่าคนเกิดว่าคนแก่คนเจ็บคนตายถ้าเพาะคนโง่ที่มีอุปาฐานเท่านั้ น, นพวกที่หลงยึดตัวตนอยู่แค่นั้นท่านพูดตามธรรมุษ ว่าสําหรับพระอรหันต์แล้วไม่มีเลยไม่มีไม่มีคนเกิดไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายเลยมีแต่ธรรมะอันนี้จังเกิดขึ้นธรรมะทุกขังเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปธรรมะอะไรตายเกิดขึ้นอย่างมีแต่พระใจรักสนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปไม่มีคนอยู่ในสตักเลยะไม่มีเลยขันห้าทั้งห้าขันน่ะแต่ละสี่แต่ละอย่างสี่รูปไม่ใช่เราเราไม่ใช่รูปรูปไม่ได้อยู่ในตัวเราตัวเราไม่ได้อยู่ในรูปเวทนาไม่ใช่ตัวเรา เราไม่ใช ia, ่เวทนาเวทนาไม่ได้อยู่ในตัวเราไม่มีตัวเราอยู่ในเวทนาสัญญาไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่ใช่สัญญาสัญญาไม่ได้อยู่ในตัวเราไม่มีตัวเราอยู่ในสัญญาสังขารไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่ใช่สังขารไม่มีสังขารอยู่ในตัวเราไม่มีตัวเราอยู่ในสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่มีอยู่ในตัวเราไม่มีตัวเราตัวตนอยู่ในอยู่ในวิญญาณนั้นเนี่ยจากสี่สี่ห้ายี่สิบเนี่ยให้ละให้ได้ก่อน ทาร่ตัวไดตัวนี้ก็คือละสักการเจ้าทิชีนี่สักการเจิาทิองความห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เป็นตัวเราตัวเขาว่าตัวคนทีนี้ให้เราฝึกสติขลองไวก็ได้เวลาเราได้เห็นคนเดินผ่านไปมาอย่าไปว่าคนอย่าไปว่าผู้หญิงอย่าว่าผู้ชายอย่าไปว่าพระมาเนี่ยตาเห็นใจฉีเดียวว่าอย่างนั้นนะเห็นหมาเห็นอะไรก็รูปน้ำนี่เตือนตัวเองไว้รูปน้ำรูปน้ำรูปน้ำแต่รูปน้ำไหนไม่มีไม่มีสติปัญญารูปน้ำนั้นก็โง่ต่อไปทุกต่อไป รูปนาำไหนมีสติปัญญารู้สึกตัวพร้อมรูปน้ำนั้นก็พ้นทุกต่อไปแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองไม่ต้องสงสัยเจออย่างนี้เือกระทักคนนั้นชื่อคนนั้นชื่ออย่างนี้มันชื่ออะไรถามไปถามได้สมมติใช่ไหมสมมติก็เลยมุดติดสมมุติอยู่อย่างนั้นต้องสอนตัวเองรูปนามรูปน้ำรูปน้ำเลยะทีนี้จะเห็นต้นไม้ภูเขาไม่นาน้ำมันมิใช่รูปไม่มีน้ำเลยน้ามันอยู่ที่ตัวที่เราเห็นเห็นรูปเห็นน้ำไปะ ตัวเราเดินไปมีทั้งรูปทางนามคนนั่นเดินมาก็มีทั้งรูปทงนามหงพ่อเทียนเห็นยัียงป่องแมงงอดไตสอดเต็มตี๋ตัวมันไม่กัดโอ้นี่รูปนามนี่นะรูปนามนี่มันไม่มีกิเลสถ้ามันมีกิเลสมันมีโมโหมันคงจะกัดมันจะส่เราเหมนใช่มน่รูปนามพวกท่งนเห็นเห็นชัดแจ้งชิ้แจงแจเลยไม่ต้องจำไม่ต้องคิดบันโนนึกอะไรเลยมันรู้พวกขึ้นมาโมโหขึ้นมาทันทีเลยเราก็ไมนกันให้รู้ทันมาทันที ไอตัวนึกไปตรงนึกไปตรงคิดรูนเคาะเนี่ยรูปน้ำเกิดขึ้น ไ, นไอ้ที่มันเคาะมันเจ็บเจ็บนั่ะมันแข็งแขงร้อนรนั่นก็คือรูปเที่รู้ว่าเจ็บเจ็บร้อนรแข็งแข็งก็คือน้ำขึ้นเองก็มีแค่รูปของนาำทีนี้ดูใจนะจะโยมถาม ด, ดูใจในใจดูจิตในจิตเห็นไหมถ้าจิตมันซื่อๆเฉยๆที่เรารู้สึกเคราะร้อนหนาวมันเฉยๆนั่นก็ได้กระทบพลันผ่านแล้วกระทบความปกติแล้วเข้าใจไหมนี่แหละมันก็รู้อยู่อย่างนี้น่ะ รู้ทีนี่รู้เดี๋ยวนี้รู้ชั่วขณะเนี่ยขณะนี้จิตใจยอมซื่อๆเชยๆเป่าๆยกมือขึ้นก็รู้เชยๆเอามือหยุดก็รู้เชยๆฟังเสียงเท้แล้วก็รู้ซื่อๆเชยๆอยู่นั่นแหละยมได้กระทบความปกติได้กระทบคุณิพานแล้วไม่ปรุงไม่แต่งอะไรรู้ทีนี่รู้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทำเดี๋ยวนี้ไปรู้พรุ่งนี้อย่างนั้นไม่ใช่ต้องรู้ปัจจุบันให้ทันเหตุการณ์อยู่นี้เมื่อ ญาณแปลว่าเข้าไปรู้เมื่อญาณเข้าไปรู้แล้วปัญญาก็รอบรู้ทั้งสอย่างนั้นแหละประกอบกันเข้าเรียกว่าญาณของวิปัสสนาเกิดขึ้นให้แก่ผู้กระทาเช่นนั้นเมื่อญาณของวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วก็เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงเพราะศึกษาอยู่กับธรรมชาตินี่แหละศึกษาให้ได้กระแสผนิพานทาไมจึง ได้กระแสวิญญานอาจจะมีข้อสงสัยเพราะรู้รูปรู้นามรู้รูปธรรมรู้นามธรรมรู้รูปโรครู้นามโรครู้ทุกข์ขังรู้อนิจจังรู้อนัตตารู้สัมมติสัมมติอะไรรู้ให้ครบให้จบให้ท้วนแล้วก็รู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาลดูบุญศาสนาคําสั่งสอนของคนทั่วไปรู้พุทธศาสนา ศาสนาแห่งความออกจากทุกข์นั่นเองรู้แล้วพ้นทุกข์จิตใจไม่ติดทุกข์นี่มันก็เรียกพุทธศาสนาเปนรู้แจ้งรู้จริงตามที่มันเป็นจริงรู้แล้วไม่ติดไม่ยึดเนี่ยก็เรียกพุทธศาสนาศาสนาอื่นนั้นมันรู้ยังมันยังติดอยู่มันยังคล่องอยู่มันปล่อยวางไม่ได้แต่ศาสนาพุทธนี่รู้แล้วรู้ปั๊บพ้นทุกข์สันติพ้นปัญหาสันติพ้นกิเลสพ้นโลภพ้นหลงพ้นตัวตนนะรู้บาปรู้บุญบาปคืออะไรบาปคือทุกข์บุญคือใจไม่ทุกข์นี่โมเทียสสรุปสั้นสัรู้จริงๆ ทำอย่างนี้ไม่ยกเว้นใครทําก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้อย่างนี้ เ, เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาทีนี้นไม่ได้ว่าตาเนื้อนะตาไในนะตาปัญญานะวิศ ด, ด้อมไอตาปัญญาวิศ ด, ด้อมธรรมะตาธรรมะนะเห็นธรรมก็เห็นอาการที่มันเกิดกับกายากาเกิดกับใจแต่เห็นว่าใจมันซื่อเชย อ, อยู่เนี่ยนะแล้วเห็นธรรมเห็นธรรมขั้นสูงสุดด้วยนะเห็นธรรมขั้นว่างทุกข์ด้วยเพราะเห็นตัวเรากําลังนึก กำลังคิดกำลังพูดกำลังทําเห็นตัวเราตัวนี้เป็นภาษาสมุติน่ะตัวเราก็เห็นรูปเห็นนามเห็นกายกับใจนั่นเองมันกําลังนึกกาลังคิดกําลังพูดกําลังทํานี่เรียกว่าเห็นธรรมเห็นอย่างนี้เห็นธรรมแท้แท่ไม่แปรผันน่ะเป็นของจริงที่เรานึกเราคิดเอานั้นนึกอดีตชาคตมันเห็นของปลอมเห็นนะเห็นนึกคิดจริงๆอยู่แต่ว่ามันเห็นของจํามา เห็นความปรุงแต่งมาเห็นความฝันมาไม่ใช่จริงเต้าที่เรากระทบตรงนีมันจริงเนี่ยมันของจริงๆที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะเห็นธรรมะเห็นความนึกคิดเห็นคําพูดเห็นการกระทําดีนี้คิดโลภคิดโกรธคิดหลงก็เป็นอาธรรมไฝ่ายก่อทุกข์ไปคิดเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เห็นธรรมะฝ่ายพ้นทุกข์ไปแค่นั้นเองเครื่องวัดว่าได้ต้นทางแล้วมีอยู่อย่างไรมีอยู่คือ เห็นจิตใจมันนึกมันคิดเห็นจิตจานึกเคยให้ต้นทางมองด้วยตาไม่เห็นจับไม่ถูกด้วยมือแต่รู้ได้เห็นได้ด้วยตาปัญญาเรียกว่าจักูุปัญญาก็กะทรมาจากสุนะจัก pues, <to> ูุปัญญาก็ตาปัญญาจักูุก็คือตาปัญญาก็คือปัญญาก็คือตัวรอบรู้เราเคยกัะพริบตามาตั้งแต่เล็กๆไม่ใช่เกิดมาแล้วไม่กะพริบตา เพิ่มมากรับพิบตาเอาวันนี้ไม่ใช่แต่เราไม่เคยรู้ไม่มีสติตามรู้ให้ทันถ้ามีจักูุปัญญาแล้วกับพิบตามันก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คืนน้าลายลงคอก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้รู้แล้วก็สบายความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงไปหรือถึงกับจะหมดไปก็ได้นี่ พระคําว่าได้ต้นทางคือรู้จิตใจมันนึกมันคิดจะเห็นจิตเห็นใจมันนึกมันคิดเรียกว่าได้ต้นทางเพราะพระพุทธเจ้าตัดสรัรู้จากการกระทําทางจิตทางใจเราก็ต้องรู้จิตรู้ใจเห็นจิตเห็นใจตนเองที่กํำลังคิดจึงเรียกว่าได้ต้นทางได้ต้นทางไม่นึกไม่คิดก็ได้ตน้นได้ต้นทางเหมือนกัน ต้นทางปกติต้นทางพณนธานเหมือนกันถ้ามานึกมันมคิดก็ได้ต้นทางของของตัวกิเลส ต, ตัวปรุงแต่ไงไเนี่ยมันก็ดับไปใช่ไหมพะจิตใจตัวสติตัวความรู้สึกมั น, มนค่องแคล่ว่องไวมันแกวกาอนะไอความคิดมันก็กระโดดหนีไปเลยเพราะไอตัวนี้เข้าไปปัดกวาดมันความรู้สึกตัวเขาไปปัดไปกวาดไปไล่มันไปป่าปามมันเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้บอกให้ผู้ปฏิบัติรู้ได้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ผู้ที่ได้ต้นทางแล้วจะไม่ไหวผีไม่เชื่อเรื่องเลิกงามยามดีไม่เชื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะรู้จะเห็นจะเข้าใจแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะก่อให้เกิดมรรคผลนิพพานมีพระสิทธิบทหนึ่งว่าตนเป็นที่พึ่งของตนจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้พึ่งผีก็ไม่ได้พึ่งพระพึ่งเทวดาก็ไม่ได้แม้จะพึ่งพระพุทธเจ้าก็พึ่งไม่ได้เช่นเดียวกัน เอาพึ่งตนในที่นี้เขาทำพึ่งธรรมธรรมะคือสติคือใจพึ่งธรรมะรูปธรรมนามนี่ก็พูดตามภาษาสมมติที่เนี่ยผูทีเจ้าก็ได้จะบอกให้เราทำบอกบอกให้เราฉันข้าวสิถ้าเราไม่ฉันเราก็ไม่อิ่มเราต้องฉันเองใช่ไหมผู้เจ้าบอกนะฉันข้าวในมูลฉันข้าวเนี่ยแ้วเราไม่ฉันเราก็ไม่อิ่มเเราต้องทําเองผู้เจ้าก็ช่วยเราไม่ได้กินแทนเราไม่ได้หายใจแทนเราไม่ได้เราต้องทําเองพึ่งขีก็พึ่งไม่ได้พึ่งเทวดาก็พึ่งไม่ได้ะพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่ง ลูกพึ่งนามเนี่ยพึ่งสตินี่เองสี่ปฏิบัติต่อไปอย่างไรจึงจะรัดสั้นสำหรับผู้ที่ได้ต้นทางแล้วนั้นการปฏิบัติก็ดูจิต ด, ดูใจที่มันนึกมันคิดนี่เองเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีไหนก็ตามเข้าห้องนา้าเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็ตามปฏิบัติได้ทุกลมหายใจเข้าออก จะกินข้าวกินน้ําก็ปฏิบัติได้ทําการทํางานก็ปฏิบัติได้เพราะมือทํางานใจดูใจมันนึกมันคิดเห็นรู้เข้าใจทานไปไม่ต้องยึดถือทานไปไม่ต้องยึดถือคือไม่ต้องไปแบกอารมณ์นั่นเองอย่างนี้แหละรัดสั้นที่สุดเพราะเราเป็นคนทําอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่ไห น, ก, ไหนก็เราเองเป็นคนทําการ พูดเราก็เป็นคนพูดอยู่ที่ไหนเราก็พูดได้การการดูจิตดูใจมันนึกมันคิดก็เราเองเป็นคนดูอยู่ที่ไหนก็ดูได้จึงพูดว่ารัดสั้นที่สุดไม่เลือกการเวลาทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้และเป็นการกระทำที่ตรงเข้าไปสู่จิตใจต้องรัดตรงเข้าไปอย่างนั้น5ที่สุดแห่งการเดินทาง มีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าไม่ต้องไปไม่ต้องมาอีกแล้วเครื่องหมายอันนี้มองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือคือมันขาดออกจากกันนั่นเองไม่มีการติดต่อกันกันจึงว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาเพราะติดต่อกันไม่ได้ตอนนี้ก็มาพูดกันเรื่องสุดท้าย ไม่ต้องพูดตามขั้นตอนก่อนที่จะตัดสินใจว่าไม่ต้องไปไม่ต้องมาหลวงพ่อทำความรู้สึกตัวเดินกลับไปกลับมาตอนเช้ามันคิดก็รู้มันเคลื่อนไหวพิธีใดก็รู้ดูอยู่แค่นั้นเองเอาแต่ความรู้สึกตัวเท่านั้นมันนึกมันคิดอะไรก็รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้พอดีเดินกลับไปกลับมา ถ้าเราถอดเสื้อหรือถอดของในตัวเรานี้ออกหมดแล้วก็เบากายเบาใจมันเป็นขณะเดียวกันณ น, นี่พูดให้ฟังแต่มันเร็วขาดออกจากเป็นช่วงเลยขาดออกเป็นช่วงเลยแต่ไม่ใช่เป็นนิมิดอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเห็นตัวของตัวเองขาดออกจากกันมันขาดอย่างเชือก คือธรรมชาติมันขาดออกจากกันติดต่อกันไม่ได้จึงได้เปรียบเอาไว้ว่าเอาเชือกไนล่อนหรืออะไรก็ตามผูกปลายทั้งสองข้างดึงให้ตึงแล้วตัดตรงกลางเมื่อตัดแล้วจะดึงเข้าหากันมันไม่ถึงจึงว่าการไปก็ไม่มีการมาก็ไม่มีมันเข้าสู่สภาพของมันรูปนี้มันก็เข้าสู่สภาพของมันแล้ว ใจนึกใจคิดมันก็เข้าสู่สภาพของมันแล้วอันนี้แหละที่ในตำหนับตำลา ว, ว่าถึงที่สุดแล้วยานย่อมมีเพราะ ส, สัญญาความหมายรู้และจำได้ยานวิปั ส, สนาเข้าไปรู้ปัญญาเข้าไปรอบรู้ทั้งสอันนี้มันแวตเดียวเท่านั้นเองเรื่องนี้ไม่ต้องไปถามใครเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราดูเองเห็นเองอันนี้แหละเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องหมาย แต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหมดเชื้อนั่นเองหกธรรมะแชเป็นสิ่งเดียวกันเราคงเคยได้ยินได้ฟังเขาพูดกันว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวผมของพระ อ, องค์ไม่ยาวอีกต่อไปยาวอยู่แค่สองข้อมือก็เป็นเรื่องเดียวกันที่สุดแห่งการเดินทางนี้เป็นสิ่งเดียวกัน และสาคัญที่สุดทุกคนต้องประสบอยู่อย่างเดียวกันเพราะทุกคนต้องตายแน่นอนที่สุดจึงพูดว่าธรรมะแท้เป็นสิ่งเดียวกันจะถือศาสนาไหนก็จะต้องเข้าถึงจุดนี้แล้วแต่ใครจะทำแล้วแต่ใครจะไม่ทำนี่แหละการดูจิตดูใจจึงเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่สุดคำว่าอัศจรรย์ก็คือสิ่งที่ไม่เคยเป็นก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีก็มี การเป็นการมีอย่างนี้เป็นของที่อัศจรรย์มากเพียงดูจิตดูใจเท่านั้นเองดังนั้นธรรมะในคำสอนของพระเจ้าจึงมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นแต่ซื้อศาสนาไหนตัฐที่ไหนก็ตามเพราะทุกคนมีจิตมีใจนี่แหละเป็นเครื่องวัดของนิพพานนิพพานไม่ใช่การเข้าฌานอย่างนั้นการเข้าฌานอย่างนี้ออกจากฌานอย่างนั้นออกจากฌานอย่างนี้ นั่นเป็นคำพูดของคนทั่วไปใจความสั้นๆก็มีเพียงเท่านี้ถ้าปฏิบัติอย่างที่แนะนำมาหากเรายังไม่พบเห็นในขณะนี้ก็ต้องได้ประสบพบแน่นอนอย่างช้าก็ตอนใกล้หมดใกล้หมดลมหายใจอย่างนี้ท่านเรียกว่ามืดมาสว่างไปแต่ก่อนเราไม่รู้บัดนี้เรารู้แล้วจะไปไหนมาไหนจะทำจะพูดจะคิด เราก็สว่างแล้วอีกพวกหนึ่งมืดมามืดไปเพราะไม่สนใจจึงไม่รู้เข้าโรงก็มืดมา ม, มืดไปเข้าโรงก็มืดมืดมามืดไปมืดอีกพวกหนึ่งสว่างมาสว่างไปคือพวกที่เกิดมาไม่เคยทําชั่วเคยทําแต่ความดีงามแล้วก็จเจริญวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงจิตใจไม่เศร้าหมองเรียกว่าสว่างมาสว่างไปเพราะจิตใจรู้จริงเห็นจริงนี่เอง อีกพวกหนึ่งสว่างมามืดไปเขาเกิดในตระกูลอันดีพ่อแม่เคยฝึกฝนเคยฝึกเคยสอนสอนให้ให้ทานรักษาศีลให้มีจิตใจผ่องใสแต่ไม่เคยเจริญวิปัสนาจึงไม่รู้แจ้งเห็นจริงไปจนตายท่านว่าสว่างมามืดไปจบแทบเสียงลมตะเทียนอันนี้พอกำเขียนถึงเวลาแล้วก็บอกนะอ่านไปนะไม่ดูเวลาตัา้ไม่เห็นนาฬิกาย ตาสั้นหนังสือก็ยกแค่คืบเดียวสิจะมองเห็นตาสั้นไหนแฉมตาเอียงสิเลยเนี่ยทั้งสั้นทั้งเองียงนี่ก็รูปรูปไม่เที่ยงรูปเป็นอนิจจงรูปเป็นทุกขงังรูปเป็นอนัตตาเองแต่ก่อนเนะี่ยหลวงพ่อว่าตัวกูตัวกูทุกชิบหายเลยทุกว่าตัวกูตาเอียงตาสั้นนีทุกว่าผู้หญิงไม่ชอบไม่รักเล่นะทุกเป็นบ้าเลยมาฟังพุทธาทาสพิขุว่ารูปนามำกายกับใจไม่เชื่อตัวตน คนโง่เท่านั้นไปหลงยึดเอารูปสวยรูปงามรูปขี้เหร่ว่าเป็นตัวตนเหมือนกันคนโง่คนบาปเท่านั้นคนไม่รู้ธรรมะนะฟังนั้นปับ๊บจิตใจมันคลายออกมาอ๋อเราโง่จิไปยึดเอากายกับใจเป็นตัวตนเนี่ยพอนึกถึงคําพุดท่าที่ไหรก็สบายใจขึ้นมันไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ตัวเรามันเป็นรูปธรรมนามธรรมเนะี่ยสีนี้เอาไอ้ตัวปัญญาตัวนั้นมาท่องไว้มาคิดไว้ไอ้นี้ไอ้ตัวโง่ไอต้ตัวหลงมันก็เข้ามาไม่ได้มันก็เลยสบายใจขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าคนทุกข์จินตนาการ พอฉันคิดก็กินตามม่ใชปัญญายังไม่ถึงมีปัสนาแต่ขนาดนั้นก็ทําให้เบาทุกได้แล้วเข้าใจไหมการเจริญสตินี่หลวงพ่อคําเขียนนะหลวงพ่อคําเขียนสุวรนโนนะสุวรนโนแปลว่าอะไรแปลว่าทองคำํำทองคําคืออะไรทองคําคือธาตุที่บริสุทธิ์มีราคามีค่าอย่างพูดว่าโยมเนี่ยแต่งชุดอย่างนี้ก็เรียกว่าภาคิริวถ้าใจโยมไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ใจสะอาดตจสว่างสดผ้าคีรีวห่อทองคําะถ้าใจโยมยังโลบยังหล่นอรู่กับเขาเรียกผ้าคีรีวห่อขี้หมาออย่างพระนี้เหมือนกันพรมจีวรสีทองคำถ้าพระนี้ยไม่โลบไม่โกรธไม่หลงไม่ทุกทองคําห่อทองค ำ, งคำถ้าผ้าเนี้ยังโลบยังโกรธยังหลงยังโง่ยั ง, ง, ยงทุกทกับทองคําห่อขี้หมาให้นั้นเองทองคําห่อทุกข์แค่นั้นส่วนโนยพกอเขียนแต่ทองคำแต่ว่าพ้นทุกข์ไปแล้วะ การเจริญสติการเจริญสติเป็นอาชีพทางจิตปัญญามีวิหารธรรมเป็นที่อยู่การเจริญสติเป็นภาวนาไปสู่ความดีเปลี่ยนพิษให้เป็นถูกในทุกๆด้านการเจริญสติตามรอยพุทธเจ้าตามรอยตามรอยพ้นทุกข์ไม่ใช่ตามรอยอย่างอื่นนะไม่ใช่รอยเท้ารอยมือรอยจีนอะไรเงีไม่ใช่รอยพ้นทุกข์คือรอยสติ การเจริญสติเป็นกีฬาของจิตใจทําให้จ e si em, ิตใจมีความพร้อมเกิดความปกติจิตใจถ้าเราเจอเจริญสติเนี้เห็นตัวโลคตัวโกดตัวลงปั๊บมุดตัวโลคตัวโกมันหายไปเนี่ยชนะแล้วถ้าเห็นตัวโลคตัวโกตัวลงตัวโลคตัวกเด็กองจังเกิดอยู่แพ้แล้วสินะมันกีฬาแพ้แล้วไม่ชนะแล้วการเจริญสติเป็นกีฬาของจิตใจทําให้จิตใจมีความพร้อมเกิดความปกติ สะอาดสว่างสงบพร้อมที่จะปล่อยวางหยุดเย็นการเจริญสติเป็นกรรมอาศัยการกะระทํำกรรมตัวนี้ว่อริยกรรมกรรมให้พ้นทุกข์นึ่ไม่ใช่ไม่ใช่กรรมธรรมดาการเจริญสติเป็นเหตุให้ปล่อยวางหยุดเย็นปกติการเจริญสติทําให้เกิดภูมิมนุษย์ไปสวรรค์พรมโลกถึงมรรคผลนิพพาน ภูมนุษย์ใจสูงไปสวรรค์ลายชั่วกว่าบาปเป็นพรหมไม่ตากระลุ้นนำเวขาไปนิพพานพ้นทุกข์การเจริญสตินําพาไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตจุดหมายปลายทางของชีวิตก็คือพันิพานพ้นทุกข์นั่นเองการเจริญสติเป็นเครื่องมือทะลุงอกุสโณกรรมให้เหือดหายไปอย่างทันตาไม่จ้องรอทะลุงกิเลสลบกนลหลวงหายไปจากใจ มีแต่ความไม่โลคไม่โกรธไม่หลงการเจริญสติเป็นการเสียสละเป็นการทําลายความเห็นแก่ตัวเะริตสติยกมือรู้สึกซื่อๆอยนะไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายนะไม่มีคนอยู่นั่นเลยด้วยความสึกที่บริสุทธิ์อยู่นะเราเพ้อไปนนึกไปคิดเอาสหากักเราว่าเป็นคนเป็นสัตว์อยู่การเจริญสติเป็นการงานที่พัฒนาตนให้มีคุณภาพมาตรฐานอิสระหุดพน้นไม่มีสิ่งใด ครอบงำย่า ย, ยีการเจริญสติเป็นการชาติความดีให้ตนชาร์แบตเตอรี่ให้มีไฟแสงสว่างมาชาร์ตอั น, นชาติตสติให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวส่วพร้อมอยู่เสมอการเจริญสติตามแบบของสติปัะฐานสีนี้สมบูรณ์มากที่สุดแล้วเมื่อผู้ใดตั้งใจศึกษาปฏิบัติก็จะเสมือนว่าจุดแสงสว่างในที่มืด บอกคนหลงทางเปิดของที่ปิดจะพบชีวิตที่ใหม่ปลอดภัยผู้อยู่อย่างประเสริฐสุดผู้เจ้าตัดไว้เนี่ยก็อยู่ด้วยสติปัญสีรู้กายวิชาชีธรรมรู้อย่างนี้เราไม่ทุกข์นะเนี่ยคือการเป็นอยู่อย่างที่ประเสริฐที่สุดการทํางานอย่างประเสริฐที่สุดการยืนการเดินการนั่งการแก่การเจ็บตายที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดคืออยู่ด้วยสติความรู้สึกตัวเชี่ยวพร้อมนี่เอง การเจริญสติคือการทำบุญรักษาศีลการทำบุญคือการทำดีทางกายวาจาและใจการเจริญสติคือทำดีลงไปที่กายวาจาใจและการเจริญสติทำให้กายวาจาและใจปกติก็เป็นศีลอยู่ในนั้นแล้วสติคือความดีเป็นบุญใจดีทำใจดีการเจริญสติเหมือนตลาดนัดแหง่งธรรมทุกอย่างจะมาให้รู้ให้เห็น การเจริญสติเป็นการรีไซเคิลเปลี่ยนสิ่งไม่ดีให้เป็นสิ่งที่ดีรีไซเคิลเป็นสิ่งที่ดีไม่นะไม่ดีทีนี้ก็เราก็ทําสิ่งที่ดีให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีหมดเลย mm. จากประเทศอเมริกาเอาตัดต้นไม้ปลูกเข้าไปทําลายป่าปีเยอะๆเพราะว่าเอาต้นไม้มาทํากระดาษเอามาทำพวกกระถูกคอของเนี่ยป่าไม้พังชิบหายไม่หวอดหมดเลยทีนี้ทําลายโรงงานออกซิเจน พรตอนไม้ผลิตออกซิเจนให้คนพนุษย์อย่างนงี้ย น, นั่นแหละพอาวัตถุเล่งเล่งให้คนใส่วัตถุนะหลวงพ่อไปไม่กลาหกาเดือนมาเด็กส่งไปมันใช้แต่วัตถุวัตถุวัตถุกันอุดตรุดเลยก็ทําลายวัตถุทีนี่ยีเดียวก็กอนะกวของใช้ต่างตัวบางคนมีเครื่องแต่งตัวสามร้ยชุดอย่างเงี้ยมีตู้เป็นสิบเทปอย่างเงี้ยเก็บรักษาไว้อย่างเงี้ยมันทําออกมาทํามามันขายไม่ได้นะ่ะเศรษฐกิจมันก็เลยตกลงมาขายไม่ได้ คนงานก็ตกงานโรงงานก็เริ่มเจ๊งไปใช่ะเพราะว่าเอาแตให้คนบริโภคประถูกมันเกินไปบางคนมีตั้งสามร้อยชุดชุดแต่งตัวอเมดิเามีรองเท้าสามพันคู่มันใส่ทีตัส2งคู่ไอ้สา0พันคู่มันเอาไว้ยังไงจ้างคนเก็บคนรักษาเกือบตายเลยใช่ไหมมีรองเท้าสองเท้าสามพันคู่ลแล้วว่าไปดแล้วเอาสาธุนะ